พระธรรมเทศนาในงานทอดกะถินวัดพระพุทธบาทบ้านนาดีตําบลพระพุทธบาทอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโ ส, สธร2พฤศจิกายนพุทธศักราช2523การปฏิบัติสมาธิเรามาฝึกหัดพลังจิต ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดสร้างความยิ่งใหญ่ในตัวของตัวเองเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้เราเป็นคนดีการรับและการถวายกะถินตามพระธรรมวินัยบัด น, นี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันรนาศาสนาธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนเนื่องณโอกาสนี้คณะเจ้าภาพนำโดยคุณหมอปัญญาและท่านผู้มีเกียรติหลายท่านพร้อมทางพุทธบริษัทโดยทัท่วทไปทั้งในพระนครและต่างจังหวัดได้พร้อมใจกันมาทบุญทอดกถินณวัดพระพุทธบาทนี้ มีวัตถุประสงค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้วคือเพื่อจะพัฒนาพุท ธ, ธสถานแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปการทอดกะถ <coded> ิ่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานเพราะตามพระวินยัยพระในที่จะรับกะถินได้จะต้องมีไม่น้อยกว่าหรูปขึ้นไปจึงจะเป็นการถวายผ้ากะถินโดยสมบูรณ์ตามพระวินยัยและอีกในหนึ่ง การทอดกะถินที่ว่าเป็นการละทานเพราะจำเพาะจะทำกะถินได้หลังจากพระภิกษุสงฆ์ประรณาออกพรรษาแล้วมีเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่เดือน11จนถึงวันขึ้น15คหา่เดือน12ในระหว่างนี้ทายกผู้ศรัทธาที่จะทอดกะถินย่อมทำได้ในระยะนี้ถ้านอกจากระยะนี้ไปแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำทานถวายผ้าธรรมดาไม่เป็นกะถินดังนั้นกะถินจึงได้ชื่อว่าเป็นกาลาทานคือมีการเวลาจำกัดบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาถวายกถินสังคทานและกะถินกาลทานตามที่กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนาศรัทธาของบรรดาท่านทั้งหลายอัตมาจะได้นาธรรมะอันเป็นคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแสดงพอสมควรแก่การเวลา